ก็สมมติเท่านั้นแต่อันที่จริงนั้นให้ใจเข้าเองก็เกิดดับเกิดดับข้าไปเช่นที่แรกอยู่ที่ปลายจมูกก็แปลว่าเกิดที่ปลายจมูกนี่ก็เข้าไปก็ดับจากปลายจมูกเข้าไป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 อาการทั้งหลายในร่างกายนี้ที่แบ่งเป็นอาการสาเวตหรืออาการสามทิวสองหรือว่าจะแบ่งตามหลักสรีระศาสตร์ในปัจจุบันที่เป็นส่วนภายนอกทั้งนี้เป็นส่วนภายในล้วนมีการปรุงแต่ง อยู่ตลอดทุกส่วนทุกสิ่งไม่มีหยุดการปรุงแต่งชีวิตยังดำรงอยู่เพราะฉะนั้นสังขารคือความปรุงแต่งนี้จึงเป็นตัวชีวิตของร่างกายนี้เมื่อ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 เป็นกายนี้แตกทำลายจิ่งหยุดปรุงแต่งร่างกายนี้จึงเริ่มเป็นสิ่งที่เน่าเปื่อยผุพังต้องนำไปเผาไปฝัง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 จิตใจก็เหมือนกันมีเครื่องปรุงแต่งคือมีวิตกมีวิจารความตื่นความตรองหรือความคิดซึ่งเป็นเหตุให้พูดออกมาเป็นวาจาวาจาที่พูดนี่ก็เพราะมีวิตกวิจารคือความตื่นความตรอง จึงเป็นอันว่าต้องมีวิตกวิจารณความตึกความตรองขึ้นก่อนวาจาจึงจะออกมาถ้าหากว่าไม่มีความตึกความตรองก็ไม่มีวาจาเพราะฉะนั้นความตึกความตรองจึงเป็นเครื่องปรุงวาจาที่เรียกว่าจีสังขาร วาจานี้เป็นผลที่ออกมาจากวิตกวิจายความปรึกความตรองและจิตที่มีคิดไปต่างๆดังเช่นมีวิตกวิจายความปรึกความตรองซึ่งเป็นความปรึกความตรองของจิตนั่นเองก็เพราะว่ามีสัญญามีเวทนา สัญญาก็คือความจำได้หมายรู้เวทนาก็ความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลางกลงไม่ทุกข์ไม่สุขเรามีสัญญาเวทนานี้จิตยังมีความคิดหรือมีวิตกมีวิจายความเปความตรงไปต่างๆถ้าไม่มีสัญญาไม่มีเวทนาจิตก็ไม่ปรากฏ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 ดับวจีสงขารคือดับวิตกวิจัยความปรึกความตรองก่อนวาจาจึงดับนิ่งไม่พูดเพราะไม่มีความปรึกความตรอง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 ยังมีอยู่คนยังมีลมหายใจเขาออกอยู่มีมีตกวิจาร์อยู่มีสัญญาเวทนาอยู่ร่างกายก็ยังดำรงอยู่แตะเป็นไปได้เดินยืนนั่งนอนได้ อาการต่างๆในร่างกายนี้ใช้ได้มือเท่าใช้ได้จะกู่ประสาทโสนประสาทเป็นตนใช้ได้เนี่ยพูดได้คิดอะไรได้ก็เพราะว่าสังขารทั้งสามนี้ยังดำรงอยู่และเมื่อเป็นดังนี้ จึงทำดีได้ทำชั่วได้ตลอดจนถึงทำสมาธิจนถึงได้อับปนญหาสมาธิสมาธิที่แนบแน่นได้เพราะฉะนั้นจึงมีปุญญสังขารปุญญาภิสังขารปรุงแต่งบุญ กปุญญาภิสังขารปรุงแต่งบาปคือทำบุญทำบาปอันเนรชาภิสังขารทำสมาธิกันได้ดังที่มาปฏิบัติทำสมาธิกันนี้ขน้นแม่บุญแม่บาปแม่สมาธิที่ทำกันนี้ก็เป็นสังขาร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 แม้มักมีองค์แปดที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเอาไว้ให้ปฏิบัติเป็นตัวมัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ทุกข้อก็เป็นสังขารคือเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งคือต้องปฏิบัติต้องกระทำปองปฏิบัติอบรมทิดฐิคือความเห็นให เหนถูกเห็นชอบจึงจะเป็นสมาทิธิติต้องปฏิบัติอบรมความดําริให้ถูกให้ชอบจึงจะเป็นสมมาสังกปะความดําริชอบ ต, อต้องปฏิบัติต้องกระทํากรรมทางกายให้ถูกให้ชอบเว้นจากที่ไม่ถูกไม่ชอบจึงจะเป็นสมมากรรมตัปทางวาจาก็เหมือนกันจึงจะเป็นสมมาวาจา ทางอาชีพก็เหมือนกันจึงจะเป็นสัมมาอาชีวะความเพียรก็เหมือนกั น, น, กนจึงจะเป็นสัมมาวายมะสติสก็เหมือนกันจึงจะเป็นสัมมาสติสมาธิก็เหมือนกันจึงจะเป็นสัมมาสมาธิคือต้องทำต้องปฏิบัติถ้าไม่ทำไม่ปฏิบัติมักไม่องแปดก็ไม่มีเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสเอาไว้ว่า มักมีองค์แปดนี้เป็นยอดของสังคต ธ, ธรรมธรรมะปรุงแต่งขึ้นเพราะว่ามักมีองค์แปดนี้เมืันได้ปรุงแต่งขึ้นจนเป็นมัคคัศมมังคีกําจัดกิเลสได้หมดสิ้นแล้วก็เสร็จกิจไม่ต้องปรุงแต่งอัีกต่อไปอยังชื่อว่าเป็นยอด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 จึงเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งแต่ว่าปรุงแต่งมักมีกมองค์8ก็นับเข้าว่าเป็นปุญญาไปสังขารปรุงแต่งบุญและก็นับเข้าในข้ออันเลนชาไปสังขารปรุงแต่งอันเลนชาก็ามีสมาธิอยู่ด้วย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 จึงได้มีกาเกิดขึ้นมาเป็นสังขารสามกายจะสังขารมาีสังขารกิจจะสังขารแลืวมันมีสังขารสามกแปลว่ามีขันห้าบริบูรณ์มีกายใจบริบูรณ์ก็ทำบุญทำบาปทำสมาธิกันได้ ปฏิบัติในมักมีองค์แปดได้ในกการปฏิบัติแม้ที่เป็นบุญก็เพราะว่าเพื่อที่จะชำระบาคชำระกิเลสจึงมีอวิชชานั่นแหละเป็นหัวหน้ากระหาักว่า ไม่มีอวิชชาแล้วคือดับอวิชชาเสียได้แล้วก็ไม่ต้องทาบุญไม่ต้องทาบาปกันต่อไปเรียกประเศรษฐกิจการที่ต้องทาบุญอยู่นั่นก็เพราะว่ามีบาปที่จะต้องละมีกิเลสที่จะต้องละมีอวิชชาที่จะต้องละ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 เพราะฉะนั้นยังต้องทำบาปทำบุญกันอยู่ต้องทำสมาธิกันอยู่ทำบุญก็เพื่อละา บ, บาปละกิเลสและจะทำบาปกอกิเลสกันอยู่ก็เพราะยังมีอวิชชาเพราะฉะนั้นจึงแปลว่าต้องมีกิจที่จะต้องทำ พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนเอาไว้ว่าเพื่ออรมศีลสมาธิปัญญาตราเท่าจนถึงสิ้นความติดใจยินดี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 เมื่อดับได้แล้วก็เป็นอันว่าเสร็จิจไม่ต้องปรงุงไม่ต้องแต่งกันต่อไปดังที่ตรัสเอาไว้ว่าจิตถึงวิสังขาร <c oughs> คือธรรมะที่ปราศจากความปรุงแต่งัปรุงแต่ง อันหมายถึงนิพพานเพราะสิ้นตัณหาทั้งหลายก็เป็นอันว่าจิตนี้หยุดปรุงแต่งเพราะละวิชาได้จิตประกอบด้วยวิชาคือความรู้แจ่มแจ้งถูกต้องตามความเป็นจริงวิมุตคือความหลุดพ้น เรียกวเป็นจิตที่รู้พ้นจิตนี้รู้อะไรอะไรทุกอย่างทางตาจนทรตาหูเป็นตน้นแต่รู้แล้วก็ไม่ยึดหลุดพ้นทุกอย่างเป็นจิตที่รู้พ้นจิตที่รู้ก็คือจิตที่มีวิชาจิตที่พ้นก็คือจิตที่มีวิมุติ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 ในเมื่อวิบากขันนี้ยังดำรงอยู่เมื่อวิบากขันนี้ยังดำรงอยู่ก็คงมีกายสังขารปรุงแต่งกายยังให้ใจเข้าให้ใจออกมีวิจีวัจีสังขารคือวิตกวิจารตรตรองพูดมีจิตสังขารสัญญาเวทนา ตรองเป็นต้นดังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัสรู้แล้วจิตของพระองค์ดับกิเลสละกองทุกข์ได้สิ้นแล้วดับอวิชชาได้แล้วจิตของพระองค์อยู่กับวิชชาบิมุตดแต่พระกายก็ยังให้ใจเข้าให้ใจออก และยังทรงมีวิตกวิจาร์แสดงธรรมะสั่งสอนก็เป็นพระวาจาที่แสดงออกมาวิตกวิจาร์หรือวิชาคือความรู้วิมุตติคือความพ้นจิตของพระองค์ก็ยังเป็นจิตมีจิตเป็นจิตสังขารมีสัญญาเวทนานี่ปรุงแต่งจิตให้คิด เป็นทรงตรองทรงพรยานดูสัก์ทั้งหลายในตอนเช้าเมื่อผู้ใดเข้าในขายของพระยานว่าเป็นเวนยะนิเวนยชนคือบุคคลที่เพิ่งแนะนำอบรมได้ก็เสด็จไปทรงแสด ง, สดงธรรมะโปรด ก็เป็นอันว่ากายจะสังขารเมจีสังขารจิตสังขารของพระองค์นั้นเป็นวิบากขันที่เหลืออยู่และก็ทรงใช้วิบากขันที่เหลืออยู่นี้ด้วยพระมหากรุณาทรงแสดงธรรมะสั่งสอนโปรดให้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 กายสังขารมาจีสังขารจิตสังขารคือขันธ์ห้าหรือนามารูปขึ้นอีกเป็นภูไม่เกิดเมื่อไม่เกิดก็เป็นภูที่ไม่แก่ไม่ตายพ้นจากถ้อยคำที่จะพูดถึงว่าเป็นอะไรเพราะเมาพูดถึงว่าเป็นอะไรก็ต้องเป็นสังขารขึ้นมาต้องเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาจึงจะพูดถึงได้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 แต่ตราบใดที่ยังมีอวิชชาอยู่ก็จะต้องมีสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งการผสมปรุงแต่งต้องทําบุญต้องทําบาปต้องทําสมาธิตลอดจนถึงต้องปฏิบัติมรรคไม่องแปดเป็นต้นกันไปเพราะฉะนั้นเพราะอาวิชชาเป็นปจัจจัยจึงเกิดสังขารจึงผสมปรุงแต่งหรการผสมปรุงแต่งดังนี้ ลสิ่งผสมปรุงแต่งหรือการผสมปรุงแต่งอันหนึ่ว่าสังขัญนี้ต้องมีอยู่ตลอดเวลาดังชีวิตนี้ต้องมีการผสมผรุงแต่งกันอยู่ตลอดเวลาดังที่ได้กล่าวมาแล้วหยุดเมื่อใดก็ดับชีวิตเมื่อ น, นั้นต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสุดและตั้งใจทำงฟังสงบสืบต่อไปบทนี้น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 จะได้แสดงขยายความอาวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารหรือเมื่ออวิชชาเกิดสังขารก็เกิดต่อไปอีก อันสังขาร น, นั้นก็ได้แสดงมาแล้วถึงหมดธรรมต่างๆที่มีคำว่าสังขารและได้แสดงความหมายของสังขารที่เป็นส่วนกลางๆอัน เป็นที่บ่งหมายว่าวิชาเป็นเหตุให้เกิดสังขารในที่นี้แต่ยังมีอีกบางหมวดและลักษณะของสังขารที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้อันสมควร แสดงรวมเข้าในข้อนี้ด้วยอวิชาคือความไม่รู้อันหมายถึงไม่รู้ในสัจจะที่เป็นความจริงดังที่ได้กล่าวแล้วและ เกิดขึ้นที่จิตนี้เองอันหมายถึงจิตที่เป็นวิญญาณธาตุคือธาตุรูซึ่งมีอยู่ในบุคคลทุกๆคนบุรุษบุคคลนี้พระพุทธเจ้าได้หรัสเอาไว้